นักเรียนกราบ ทำกันบ้านที่คุณครูให้มาด้วยจิตใจที่บันเทิงหันซาำตอนข้ำกับา บ้านอะไรบ้างคะเนี่ยครับสําหรับนักเรียรนอนุบาล น, นะครับที่จะต้องไปทําการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝาคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกบทของการปฏิบัติธรรมแล้วแน่นอนครับก่อนนอนนั้นให้เราได้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดหลับอย่าลืมนะครับต้องหลับในอุทะเลบุญตื่นก็ตื่นในอุทะเลบุญเมื่อตื่นแล้วที่สาคัญที่สุดเลยก็คือต้องรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ แล้วให้นึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอสัพพะสัตทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับแต่อย่าลืมทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าัวเรานี่อยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเรา แน่นอนครับทุกกิจกรรมนั้นสําคัญต่อการปฏิบัติธรรมมากเลยตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารขับรถนะครับหรือว่าทํางานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วยนี่สําคัญมากเลยครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับว่าบรรยากาศจะดีต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่เราต้องสร้างรอยยิ้มและกอปียาวาจานะครับคขับขึ้นค่ะ 啦啦啦。 Six, t w o สว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยอย่าลืมกันบ้านนะคะ